ตช่อมต่อกันระหว่างสติปัฏฐานสี่กับโพชทชงเจดเมื่อเราเข้าใจในการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆความเข้าใจในธรรมจะมีมากขึ้นเรื่องการสังเกตจิตก็จะรู้ถึงการเกิดดับได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาจิตรับรู้อารมณ์ต่างๆเราก็รู้สิ่งนั้นด้วยสติปัญญาทางธรรม คือให้เรารู้เท่าทันในการเกิดขึ้นนั้นๆรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างลดละได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างก็พยายามปฏิบัติไปสติปัญญาจะละเอียดและคมชัดขึ้นเรื่อยๆกิเลสจะครอบงำจิตได้ยากขึ้นการควบคุมจิตของตนเองจะจำนานมากขึ้นเมื่อปฏิบัติมาจนเกิดความเข้าใจในสติปัฏฐานสี่ดีขึ้นการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้น เมื่อเรากระทำให้มากจเจริญให้มากแล้วความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นจะพบกับความดับที่สงบเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เคยพบมามีหลายคนที่พบสภาวะนี้แล้วติดอยู่โดยไม่ดำเนินซึ่งพุทชงต่อไปจิตจะชำนาญมากขึ้นจะอยู่กับการเกิดก็ได้เพราะจิตเริ่มรักษาจิตเองได้ ดีพอควรแล้วหรือว่าจะอยู่กับความดับก็ได้เวลาอยู่กับความดับความดับนี้ก็จะพัฒนาจิตเองอยู่เรื่อยๆความดับนี้จะยังไม่บริบูรณ์เพียงพอเป็นเพียงสติรู้ถึงความไม่เกิดขึ้นหรือจะเรียกว่าสติสำโพชชงก็ได้สังเกตจิตไปเรื่อยๆให้ํำนานในสติสำโพชชงนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของการเจริญโพชชงที่เหลืออีกต่อไป การเจริญโพชชงเจตสติปัฏฐานสี่อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพดชงเจตให้บริบูรณ์โพดชงเจตอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์การปฏิบัติจะนั่งกรรมฐานหรือไม่นั่งกรรมฐานเราจะสังเกตจิตในความเกิดดับอยู่เสมอเมื่อเวลานั่งกรรมฐานเราก็สังเกตการเกิดดับ การเกิดให้เราพิจารณาเพียงขันห้าลงสู่ไตรลักษ์อย่างเดียวก็พอส่วนการดับเราก็อยู่กับสติสัมโพชฌงค์คือสติรู้การไม่เกิดขึ้นของสังขารให้เราพยายามคลุกเคล้ากันระหว่างสติสัมโพชฌงค์กับการพิจารณาค้นคว้าไตรตรองในเรื่องขันห้าลงสู่ไตรลักษ์ให้พิจารณาตอกย้ำให้มากๆ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 หรือบางครั้งพิจารณาว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราแต่เอาสั้นๆนี้ก็ได้ถ้าเริ่มมีความชำนาญพอการพิจารณาในขันห้าลงสู่ไตรลักษณ์นี้คือธรรมวิจยะสัมพุทธชงเป็นการค้นควา้าและไตรตรองในธรรมชาติคือขันห้าและกฎของธรรมชาติคือกฎไตรลักษณ์ เพื่อให้เจตรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งนี้จนแจ้งชัดระจักด้วยจิตของตนเองและการที่เรามีความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อยหย่อนนี้ก็เรียกว่าเป็นวิริยะสัมโพชฌงเมื่อเราปฏิบัติไปจากวันเป็นเดือนหรือจะนานสักเท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเมื่อความสมบูรณ์ของสติสัมโพชฌงบวกกับความสมบูรณ์ของธรรมวิจยสัมโพชฌง บวกกับความสมบูรณ์ของวิริยะสัมโพชฌงก็จัดทําให้ปิติอันประศจากอามิตรคือความอิ่มใจเกิดขึ้นนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงเมื่อปฏิบัติจนเริ่มจานานดีพอจนทั้งกายและจิตมีสติระงับได้แล้วความสงบกายและความสงบใจก็ดําเนินต่อไปต่อเนื่องมานี้เรียกว่าการเจริญปัสสติสัมโพชฌง เมื่อกายและจิตมีความสงบระงับสมบูรณ์แล้วจิตก็ตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตนี้คือสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อจิตมีความตั้งมั่นดีแล้วความวางเฉยได้เป็นอย่างดีความวางเฉยเป็นอย่างดีนี้คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อปฏิบัติจนโพชฌงทั้งเจ็ดนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ทําให้มากปฏิบัติให้มากไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี หรือจะนานไม่นานอย่างไรก็ไม่สำคัญก็ปฏิบัติไปเพราะจิตที่คลุกเคล้าในพชชงเจตนี้แจกว่าเป็นกุศลธรรมย่อมนำมาซึ่งความเจริญในธรรมอยู่แล้วปฏิบัติไปจนอินทรีย์และความเหมาะสมของบารมีและเหตุปัจจัยที่สะสมจนเกิดความสมบูรณ์เต็มรอบที่ตรงจุดความสมบูรณ์เต็มรอบนี้เรียกมัคคสมังคีพชนงเจต อันพิสูจน์เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์สภาวธรรมก็จะปรากฏชัดเจนแก่จิตของผู้ปฏิบัติสภาวธรรมที่พบนี้จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสภาพจิตก็จะบริบูรณ์ขึ้นสภาวธรรมนี้จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรง ส, สรรเสริญ ปัญหาของพระอานุ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ทําอย่างหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังทำสีข้อให้บริบูรณ์ทำสีข้อทำเจดข้ออันภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังทำสองข้อให้บริบูรณ์เป็นไฉนิพระพุทธเจ้าดูก่อนอานน์ ทำอย่างหนึ่งคืออาณาปานสติสมาธิอันภิกษุเจริญแล้ว ท, ท, ทําให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่อันภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงเจ็ดอันภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ ฟังคะ่ะนี่คือบางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิตของท่านอริโยพิคุก็จบบริบูรณ์แล้วนะคะมาฟังฟังอนุโมทนาธรรมของท่านคะ่ะกุศลและกรรมใดใจท่านน้อมสุขนั้นย่อมตามมาอย่าสงสยัยจงเพียรสะสมบุญอยู่ในใจแล้วต่อไปจะสมหวังดังใจปอง อุปสรรคในโลกนั้นมีแน่จงอย่าแพ้ต่อกิเลสทั้งผองจงบากบั่นด้วยธรรมจำต้องลองบุญสนองให้สุขทุกคืนวันอริโยภิกขุท่านผู้ฟังที่เคารพคะ ใั้นผู้จัดทารายการแสงเทียนเสียงธรรมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอริโยภิกขุไวในโอกาสนี้ที่ท่านได้กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาเผยแพร่ธรรมะในรายการแสงเทียนเสียงธรรมท่านที่สนใจต้องการธรรมะชุดนี้คือบางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิตมอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือหรือจะนำไปทบทวนฟังด้วยตนเอง กรุณาสั่งจองมาที่เผ่นศีอินทรัทศน์0 1 9 1 9เ2 6 8จดสองดิฉันไม่มีความประสงค์จะขายธรรมะชุดนี้แต่ขอมอบให้กับท่านที่บริจาคตามศรัทธาเพื่อนำปัจจัยไปเป็นค่าสถานีค่าทำแผ่นซีดีและร่วมกิจกรรมพิเศษทุกครั้งที่ได้จัดทำมาโดยตลอด ดิฉันขออนุโมทนาในกุศลละจิตของทุกๆ ท, ท่านไว้ณนโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับเวลาที่เหลือนี้ก็จะมอบบทสวดมนต์ทานองสารพันยะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจนกว่าจะหมดเวลานะคะสวัสดีค่ะ